สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทอเอฟเอ็ร้อยกัจ้าพระมหาภัยบูัมภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหสุตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเรื่องราวที่เป็นคาสอนของสัมมาสัมพุทธะเป็นพุทธชนิดที่มีความสามารถกว่าพุทธะทั่วๆไปในการที่จะสามารถสอนบุคคลในที่พอจะสอนได้ สอนบุคคลที่พอจะสอนได้บุคคลที่อย่างท่านผู้ฟังนี่แหละอย่างเราท่านๆนี่แหละที่เปิดวิทยุมาก็มาขวนขวายหาฟังธรรมะคนที่เปิดวิทยุมาก็ยังมาขวนขวายหาฟังธรรมะไม่ว่าจะฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าฟังผ่านทางคลื่นวิทยุก็ตามแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ชื่อว่าเออเข้าหาธรรมะจิตใจของคนที่เข้าหาธรรมะนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พอจะฝึกได้ผู้ที่พอจะฝึกได้ คือหมายความว่าจิตใจนั้นในระดับที่มาเงีย่ยโสดโลงฟังธรรมได้บุคคลที่พอจะฝึกได้มีความสนใจในการที่จะฟังธรรมถ้ามาได้รับการฝึกในทางคําสอนของพุท ธ, ธรรพุทธะป ร, ร, ระเภทที่เป็นสัมมาสัมพุทธานี่แหละฝึกเสร็จออกมาแล้ ว, ลวจะเป็นบุคคลชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าคําว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่านมันดียอดดีเยี่ยมดีที่สุด ทำาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าราคะโทสะโมหะนี่แหละทำให้บุคคลคนใดคนหนึ่งที่จากดีๆมาเป็นไม่ดีชักชวนให้โกงก็ได้แกล่งกล่าวเท็จก็ได้เนื่องจากราคะโทสะโมหะมันทำเป็นความช่วยได้ทุกอย่างแต่ถ้าเป็นบุคคลที่พอจะฝึกได้มาฝึกแล้วออกมาอย่างดีคือราคะโทสะโมหะมันไม่มี พอไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็จะไม่ชักชวนคนอื่นในการล่วงพระยาผู้อื่นหรือแกล้งกล่าวเทศหรือว่าชักชวนไปในทางที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีก็จะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่ทําตามอํานาจของกิเลสไม่ทำตามอํานาจของราคาโทสะโมหะอย่างนี้สิมันดีแล้วมันดีตรงที่ว่าไม่กลับกําเริบด้วยไหนคำว่าการกลับกําเริบเนี่ยบางคนเราอาจจะเห็นอยู่บุคคลที่เป็นคนดีในสังคมเขาก็พูดดีคิดดีทําดีเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าถ้ามีโอกาสให้โกงหรือโอกาสให้ทำชั่วเขาอาจจะทำขึ้นมาก็ได้เพราะบางทีอาจจะมีการกลับกำเริบของสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในใจตัวนั้นเป็นด้านมืดในใจเป็นราคะโทสะโมหะที่อาจจะกลับกำเริบได้เพราะฉะนั้นการที่ฝึกดีแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่กลับกำเริบเนยเมื่อไม่กลับกำเริบแล้วเป็นผลของการฝึกที่ดีงาย ม, มากๆเลยทีเดียวละ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ที่ขวนขวายหาฟังธรรมะ พอจะฝึกได้แล้วฟังแล้วผ่านการฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีในทางคําสอนของพุท ธ, ธะแล้วจะเป็นผู้ที่ออกมาแล้วอย่างดีพระบรมเจ้าเคยเป ร, เรียบเทียบไว้กับช้างหรือมา้าอาชาในาแต่ที่มีชาติอาชาในาแม่แต่ถ้ายังไม่ได้รับการฝึกนะให้รู้จักทํากิจที่ควรําของช้างทํากิจที่ควทําของมา้าแม่มันก็เสียได้แต่ก็มีชาติอาชานในอยู่ก็จริงแต่บางทียังไม่คุ้นเคยกับ คำสั่งของผู้ฝึกช้างผู้ฝึกมา้าหรือกิจกรรมต่างๆที่ที่จะใช้เป็นราชปานะหรือในราชพิธีหรือเป็นกิจกรรมที่ที่เหนือความสามารถของช้างของม้าตัวอื่นๆเนี่ยถ้าเขาทาไม่ได้แต่ความสามารถที่จะทําได้เนี่ยมันยังพอมีอยู่พอที่จะฝึกได้ตรงนี้ เ, นเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำํำก็เสียดายเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเราโวนขวายฟังธรรมะจิตใจเป็นในลักษณะนี้ก็ควรจะต้องมาฝึกให้มันดี โดยการฝึกการทำนี้เราต้องรู้จักฉลาดในวาระแห่งจิตของตัวเราเองผู้ที่จะฉลาดในวาระแห่งจิตของตัวเราเองก็ต้องเป็นตัวเราเองตัวฝังพระรูชาเปรียบตัวพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ฝึกช้างแต่ผู้ฝึกมาแต่การฝึกนั้นมันก็อยู่ที่ตัวช้างตัวม้านั่นเองที่จะต้องฝึกช้างที่เป็นลักษณะอาชาไนาม้าที่เป็นลักษณะอาชาไนเนี่ยพระรูชาเคยตัดเอาไว้ว่าสัตว์ที่เป็นอาชาไนเนะี่ยจะมีการเพ่งอยู่ตลอดเวลา แต่ม in <Ey, S 1> ีการเพ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะเอ๊ะวันนี้ควันช้างหรือคนฝึกม้าจะจะฝึกอะไรเราจะตอบสนองยังไงมันถึงจะถูกต้องแต่เพราว่าพูดคนละภาษานะคนกับม้าคนกับช้างเนี่ยพูดคนละภาษาแต่ก็จะสื่อสารยังไงเราจะทําความเข้าใจในวิธีฝึกของคนฝึกนี้ได้อย่างไรแต่ช้างอาชแนย์ม้าอาชแนยเขาจะเพ่งอยู่ตลอดตรงนี้แต่ปริชาเปรียบตรงนี้เหมือนกับการที่เราเพ่งอยู่ที่จิตของตัวเราเองแต่บุคคลที่ฝึกได้เนี่ยเพ่งอยู่ที่จิตของตัวเราเองว่าเอ๊ะจิตของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร ดีไม่ดีอย่างไรโดยเปรียบเทียบเอาไว้กับเวลาที่ผู้ชายหรือผู้หญิงโดยเปรียบเทียบเอาไว้นะกับวัยรุ่นหรืนะจะเป็นวัยรุ่นผู้ชายก็ตามวัยรุ่นผู้หญิงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นสิวกันแล้วเขาจะพยายามส่องดูหน้าตัวเองอยู่เรื่อยผู้ชายบางคนก็พกกระจกแนะคอยดูหน้าว่าสิวชั้นเป็นยังไงแต่นะถ้าคอยส่องดูแล้วถ้าเป็นสิวนี่ก็พยายามจะรีบบีบออกถ้าไม่เป็นสิวนี่มันก็ดีใจละมันงามมันเนียนเนี่ย เพราะฉะนั้นการสอดส่องดูแลจิตใจของตัวเองก็ต้องทําลักษณะนี้แต่วันนี้จึงจะเอาเรื่องราวตรงนี้แหละที่ให้เป็นผู้ที่รู้จักสอดส่องดูแลจิตใจของตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วเราจะแก้ไข ย, ยังไงเรามาฟังเรื่องราวที่พระประุรชาไดชตรัสเอาไวา้แต่ว่าให้เป็นผู้ที่ฉลาดในวาระแห่งจิตของตัวเองโดยข้อมูลที่จะมาให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นพุทธพจน์นี้ในช่วงของวันอังคารและวันพุธนั้น ก็จะมาในลักษณะสองภาษาเป็นภาษาไทยด้วยเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้บอกว่าพิสุท์ทั้งหลายถ้าเธอไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นใจเมื่อเป็นเะนั้นเธอพึ่งทำความสำเน็กว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระแห่งจิตของตนเถิดดังนี้พิกุล one who is not skilled in the ways of others' minds should train oneself first. I will be skilled in the ways of my own mind. It is in this way that you should train yourselves. ปิศาตรายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในวาระแห่งจิตของตนเป็นอย่างไรเล่าคือเปรียบเหมือนชายหนุ่ม หรือหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวลองดูเงาหน้าของตนที่แว่นสองหน้าหรือภาชนะน้าอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นทุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนําทุลีหรือต่อมนั้นออกเสียถ้าไม่เห็นทุลีหรือต่อมก็ยินดีพอใจว่าเป็นลาบ ของเราแล้วหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดการพิจารณาของเธอก็อฉันั้นเหมือนกันคือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อเธอพิจารณาอยู่ว่าเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีอภิชาคือความเพ่งเลงหรือไม่มีอภิชาเรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีจิตยพยาบาทหรือไม่มีจิตยพยาบาทเรามีชีวิตยอยู่โดยมากโดยมีถีนมิทะคือความง่วงซึมกลุ่มรุมอยู่หรือปราศจากความง่วงซึมเรามีชีวิตยอยู่โดยมากโดยเป็นผู้ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่าน And how is one skilled in the ways of his own mind? It is just as if a woman or a man, young, youthful, and fond of ornaments, would look at her or his own facial reflection in a clean, bright mirror, or in a bowl of clear water. If they s e e any dust or blemish there, they will make an effort to remove it. But if they do not see any dust, or blemish there, they will be glad about it, and their wish fulfilled, they will think, how fortunate that I am clean. So too, self-examination is very helpful for one to grow in wholesome qualities. One should ask oneself, am I often given to longing? All without longing. Am I often given to ill will, or without ill will? Am I often overcome by dullness, all drowsiness, all free from dullness and drowsiness? Am I often restless, or calm? พึงพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ว่าเรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรมหรือมีกายอันไม่เครียดครัดเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้เกียดคร้านหรือเป็นผู้ป ร, รารพความเพียนเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตตั้งมั่นหรือไม่มีจิตตั้งมั่นดังนี้ One should ask oneself: Am I often plagued by doubt or free from doubt? Am I often angry or without anger? Is my mind often defiled or undefiled? Is my body often agitated or unagitated? Am I often lazy or energetic? Am I often? u n c o n c เ n t r a t e d or Concentrated ตถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยเป็นผู้มากด้วยความเพ่งเลงเกืออภพิชามีจิตพยาบาทมีตินามิตะกลุ่มรุมเป็นคนฟุ้งซ่านมีความเกลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจาเป็นผู้มักโกรธมีจิตเศร้าหมอง มีกายเครียดครัดเป็นคนเกียดกร้านมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้แล้วเธอนั้นพึงกระทำซึ่งฉันทะความเปลี่ยนความบุตสาหะความกระม่คเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะละเสียซึ่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะ อันไฟลุกโลงแล้วจะพึ่งกระทํารฉันทะความเพียรความอุตสาหะความกำหนัดขม้นความไม่ไยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือสีสารนั้นเสีย if by such self-examination one knows I am often given to longing i v e n to ill will, overcome by dullness and drowsiness, r e s t l e s s plagued by doubt, angry, defiled in mind, agitated in body, lazy, and unconcentrated, he should put forth extraordinary desire, effort, zeal, enthusiasm, indefatigability, mindfulness. And clear comprehension, to abandon those same bad unwholesome qualities, just as one whose clothes or head had caught fire, would put forth extraordinary desire, effort, zeal, enthusiasm, indefatigability, mindfulness, and clear comprehension, to extinguish the fire. on his c l a s or head และถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้ไม่มีอภิชาคือความเพ่งเล็งไม่มีจิตพยาบาทปราศจากความง่วงซึมกลุ่มรุมจิตเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านหมดความเคลือบแคลงเห็นแย้งเป็นผู้ไม่มักโกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่เครียดครัด ร, ระลดความเพียนมีจิตตั้งมั่นดนังนี้แล้วตันั้นปึ่งตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นแหละแล้วประกอบความเพลี่ยนเพื่อความสิ้นอาสะวะให้ยิ่งขึ้นไป But if by such self-examination one knows I am often without longing, without ill will, free from dullness. And drowsiness, calm, um, free from doubt, without anger, undefiled in mind, unagitated in body, energetic, and concentrated, he should base himself on those same wholesome qualities, and make a further effort to reach the destruction of the tens. พทธพจนี้พระรัชช้าได้ตรัสไว้เพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เราพิจนารณาในการที่จะดูแลจิตใจของตัวเราเองแต่ถ้มันมีตรงไหนที่มันสะอาดมันเปื้อนมันไม่ดีมันไม่งามเราก็เกี่ยวออก่ล ะ, ละออกเวลาที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยแต่ในช่วงที่วัยรุ่นใครเคยเป็นสิวเราก็จะส่องดูอยู่นั่นแหละน่ะสิวหัวช้างบ้างสิวเซียนบ้างสิวหัวดําบ้างพยายามที่จะบีบออก แต่ถ้าไม่มีแล้วก็รู้สึกดีใจสบายใจคาว่าหน้าที่มันเนียนหน้าที่มันบริสุทธิ์หน้าที่มันไม่มีตอมไม่มีทุลีแต่ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับจิตใจแต่ที่ควรจะให้ไม่มีทุลีไม่มีตอมไม่มีสิ่งที่แปเปื้อนอยู่ในใจของเราแต่เวลาที่จะเห็นใจได้ก็ต้องใช้ตาดูเหมือนกันท่านผู้ฟังจะเห็นหน้าได้ก็ใช้ตาดูสะท้อนจากเงาของกระจกถูกไหมเวลาที่จะเห็นจิตได้ก็ต้องใช้ใจดู ใจในที่นี้หมายถึงมโนจิตในที่นี้หมายถึงธาตนะุซึ่งมันมีความละเอียดเสมอๆกันพอๆกันเราตรวจสอบดูแลจิตใจของเรานะด้วยการสังเกตดูพยายามตั้งสติเอาไว้พระรเจ้าให้ทำสิ่งที่เรียกว่ามีการพิจารณานะพิจารณาให้เห็นในกุศลธรรมทั้งหลายศันะพภาษาอังกฤษ ต, ตรงนี้เขาใช้คาว่า self-examination คือการพิจารณาดูตัวเองนะดูว่าอะไรนะมีความเพ่งเลงหรือเปล่า แต่ความเพ่งเล็งในที่นี้นั่นก็คืออภิชาความเพ่งเล็งความเพ่งเล็งก็หมายถึงว่าเราเพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นแต่ว่าทรัพย์ของคนอื่นทรัพย์นี้จงมาเป็นของเราแลลักษณะนี้คือการเพ่งเล็งเป็นลักษณะความหิวความโหยความต้องการความที่แบบอยากได้นั่นคืออภิชาถัดมาคือเรื่องของความพยาบามความพยาบามนี้ยังรวมถึงความไม่พอใจความขัดเคืองความแบบ จื๊จ่ใ น, นลักษณะที่ขัดเคืองละไม่พอใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นดินฟ้าอากาศบ้างคนพูดคนบ่นบ้างหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใ น, นจากภายนอกเป็นปัจจัในภายนอกก็ตามหรือแม้แต่เป็นภาจจที่เกิดขึ้นในภายในบางทีเรานั่งสมาธิแล้วเราก็อยากให้จิตของเราเป็นสมาธิเอแต่มันไม่เป็นให้้ความอยากตอนนั้นนี่ก็เป็นอภิชาความเพ่งเลองอย่างนึ่งแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความขัดเคืองความไม่พอใจ อันนั้นก็เป็นพยาบาทขึ้นอีกต่อที่2ด้วยเนี่ยเป็นทั้งขาได้ต้องการอยากได้เอากัเป็นเครื่องข้องเครื่องขวางเป็นเครื่องขัดเป็นความสุขรกที่จิตหนึ่งอันแล้วพออยากได้แล้วไม่ได้เกิดความขัดเคลื่องความไม่พอใจอันนั้นก็เป็นความพยาบาทอย่างที่2ตามมาได้แต่ถ้าเกิดการไม่ได้หรือได้ไม่ตามที่ต้องการได้ไม่ต้องได้ไม่ตามที่หวังส่วนถัดมาคือเรื่องของธีนะมิทะแต่ธีนะมิทะเนี่ยก็คือหมายถึงความง่วงซึม ความขี้เกียจขี้คร้านความง่วงซึมข้อนี้รวมถึงกันเบื่อเสงด้วยแต่เราเบื่อสิ่งนี้โอ้เบื่อละทําไปนิดๆหน่ยอยๆเยอะๆแยะๆก็เปลี่ยนเนี่ยเบื่อปเปลี่ยนไปใช้สิ่งอื่นทําสิ่งอื่นอันนี้ลักษณะของทีนั่นไตาคือความง่วงซึมอย่างที่4ี่ที่เราต้องตรวจตราดูแลตัวเราเองนั่นคือเรื่องความฟาุ้งซ่านว่าในใจของเรามีความฟุ้งซ่านไหมมีความฟุ้งซ่านําคาญใจ ในภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยคืออุทษากุกุจักแต่ว่ามันมีหรือมันไม่มีแต่ความฟุ้งซ่านนี้นี่ยไม่ใช่ว่ามีความคิดมากนะบางคนคิดมากแต่อาจจะไม่ฟุงงซ่านก็ได้คนที่คิดมากแต่ไม่ฟุ้งซ่านนั้นคือจิตนั้นก็ยังอยู่ในกรอบของความที่เป็นสมาธิอย่างคนนั่งสมาธิไปกับพิจรารณาเห็นผมคนเล็บฟันหนังนนเห็นความไม่เที่ยงเห็นเนื้อเห็นหนังมันหลุดออกลอกออกพิจารณาเห็นจนกระทั่งไปถึงในกระดูกคนนี้คิดมากนะกิดมาก แต่ความคิดพิจารณาตรงนี้นั่นเรียกว่าการพิจารณาซึ่งการพิจารณานั้นมันต่างกับความฟุง้งซ่านโดยสิ้นเชิงเพราะว่าความฟุง้งซ่านเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์จะหมาย ถ, ถึงเรื่องการกัน้นมันจะกั้นขวางกั้นกลางไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธิแต่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่สมาธิแต่การพิจารณานั้นเป็นผลของจิตที่มีสมาธิถึงจะสามารถทําการพิจารณาใกล้ค ร, รวญ์ไตรตรองได้ อยเวลาที่เราจะคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องใดใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือนักเรียนเขาไปสอบในห้องเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเขาต้องคิดแก้ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตรส์โจทย์ฟิสิกส์โจทย์เคมีตรงนี้จิตใจเขาต้องมีสมาธิต้องมีอารมณ์ันเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคิดแก้ไขการงานตรงนั้นได้แซึ่งมันจะไม่ใช่ความฟุ่งซ่าน การคิดวิเคราะห์นั้นแต่ก็อยู่ในกรอบของสมาธิแล้วผลที่เกิดขึ้ น, นาจากการที่เราพิจรารณาเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นการปล่อยวางแต่ในขณะที่ผลของความฟุ้งซ่านนั้นก็จะทําให้จิตนั้นไม่รวมนไม่เป็นสมาธิมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นอกจากลักษณะความแตกต่างตรงนี้ยังรวมถึงเรื่องสติ ด, ด้วยเพราะว่าคนที่ถ้ามีความฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยเขาอาจจะเผลอสติไปแแต่ต่ไม่จิตใจนั้นไม่อยู่กับร่องกับรอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งไป หรือว่าอาจจะมีสติอยู่ในแต่สติเนี่ยมีกําลังไม่มากจึงไม่สามารถที่จะละไอเจ้าความฟุง้งซ่านนั้นได้แต่คนที่มีการพิจารณามีจิตเป็นสมาทิแล้วนสติเขาก็จะมีกําลังมากกว่าคนที่ยังมีความฟุง้งซ่านแน่นอนตัดมาก็คือเรื่องของความเคลือบแคงแลงความเห็นแยง้งหรือว่าวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความเห็นแยง้งหรือว่าวิจิกิจฉานี้่มันไม่เหมือนกับความสงสยัยคําถาม ท, ทั่วไปที่เรามี ในภาษาอังกฤษที่ในความเห็นของข้าพเจ้าเนี่ยคิดว่าน่าจะแปลได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเขาใช้คำว่า s k e p t i c the skepticism ซึ่งหมายถึงการที่แบบไม่ลงใจแต่ว่าในที่นี้เขาแปลว่า doubt คือแบบคำถามปัญหาความสงสัยพวกนี้ทัว่วไปเพราะว่าคำว่า doubt เนี่ยจริงๆแล้วมันกินความหมายกว้างอันนี้คือตรงภาษาอังกฤษนะ ต, ตรงภาษาอังกฤษที่เขาใช้คาว่า doubt doubt มันกินความหมายกว้าง แต่ถ้าจะหมายสิงเฉพาะจอดโจงในเรื่องของคำวิจิกิรชาเนะ่ยซึ่งวิจิกิรชานี่เป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนยะตรงตัวก็น่าจะใช้คําว่าสเก็ปติซิซึมนะซึ่งหมายถึงความไม่ลงใจละ่ะพอไม่ลงใจแล้วมันก็จะถามนั่นถามนี่ใช่หรอือจริงหรือเปล่าทําไมเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วนะก็จะมีคําถามเหมือนกันจะมี Do าวตเหมือนกันแต่เป็นด่าวเป็นคําถามนะที่เป็นผลของการที่มีส keptic กคือความที่แบบไม่ลงใจ ความเครือบแคลงความเห็นแย้งแซึ่งถ้าแปลภาษาไทยก็จะใช้คํำนี้แหละว่าเครือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใจซึ่งพอเรามีวิจิกิจชาความเครือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจแล้วก็เลยจะมีคําถามนั่นนี่นนนซึ่งคําถามนั่นนี่นนนที่กระถามเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากความเห็นแย้งก็ได้คือบางคนเนี่ยสงสัยจริงจ่ะแต่บางคนก็ต้องมีคําถามจริงๆจระแต่ถ้ามีคําถามจริงๆตรงนั้นจะถามมันก็ไม่ใช่มาจากสิ่งที่เป็นวิจิกิจชาอันนี้คือลักษณะ ที่เบื้องต้นในที่พูดถึงเรื่องของนิวรณ์ตั้งหายังมีเรื่องอื่นอีกในที่พระพุทธเจ้ารวบรวมไว้ในที่นี้นั่นคือความมักโกรธความมีจิตเศร้าหมองและมีการเครียดครัดในการปฏิบัติธรรมหรือมีการไม่เครียดครัดแั่เป็นคนเกเรคร้าวหรือคนปรารบความเพียรมีจิตตั้งมัน่นหรือว่ามีจิตไม่ตั้งมัน่นพวกนี้เป็นคนุณธรรมทั้งหมด10ประการที่เราควรจะตรวจสอบตัวเราเองนัน่เรียกว่า self examination การตรวจสอบตัวเองถ้าพบว่าพบว่ามีข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแก้ไขทันทีการแก้ไขตรงนี้เป็นเรื่องของทางจิตท่านผู้ฟังนะไม่ว่าเราจะเดินอยู่กินข้าวอยู่นอนอยู่เราสามารถทําได้แก้ไขได้แต่ให้รู้จักตรวจสอบก่อนนะซึ่งอุปมาอุปไม้ที่บริบรุชาเปรีบรยบเทียบถึงกรรการที่มาถ้าไฟไม่ผมไฟไม่เสื้อผ้าเนี่ยนะเขาจะต้องทําความรีบด่วนในการแก้ไขนะให้ดับไฟที่ผมดับไฟที่เสื้อผ้านี้ได้ก็เปเรียบกับว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีอคุณธรรมที่มันไม่ดีในสิอย่างนี้อยู่ ก็ให้รีบแก้ไขซะการรีบแก้ไขนี้เป็นเรื่องทางจิตที่เราสามารถทําได้ทันทีทําได้ทันทีที่จิตของเราแต่ด้วยอะไรบ้างในวิธีการที่เราจะทําได้ก็ตั้งสติขึ้นไว้พยายามที่จะระลึกถึงสติแต่ถ้าคนใช้ลหมหายใจก็ใช้อนาปา น, นาสติถ้าคนจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุนสติแเป็นต้นเนี่ยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการที่จะตั้งสติตั้งจิตของเราขึ้นและถ้าบอว่าเราดีแล้วไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลและทพวกนี้ แต่ว่าใจนั้นต้องมีความสบายใจความเย็นใจอยู่ในระดับหนึ่งก็ให้อยู่ด้วยความเย็นใจความสบายใจนั่นแหละแล้วก็ทาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์2ภาษาทางสถานีพระห่งนี้ได้ก็ในช่วงของวันอังคารและวันพุธข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังใ น, นในช่วงของวันอังคารและวันพุธนี้เพราะว่าในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโญเจริญปา